เมื่อเป็นถิ่นของโยมอตาตมาก็ต้องขออภัยเพราะไม่รู้จริงๆไหนโยมลองเล่าความเป็นไปในอดีตให้ฟังซิแล้วอตาตมาจะให้สัจธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอบแทนอตาตมาเป็นลูกตถาคตอตาตมาหลุดพ้นแล้วเรื่องกิเลสขอค้นหาสัจธรรมได้โปรโดพเพื่อนมนุษย์แค่นั้นละ่ะคือสิ่งที่มุ่งหมายของอตาตมาก็กได้ในเมื่อพระคุณเจ้าไม่รู้ก็จะเล่าเรื่องให้ฟังแดนของเรานี้เดิมเป็นถิ่นที่จเจริญรุ่งเรืองมาก